ผู้ทวีตสวัสดีค่ะท่ังที่ครพคะดิฉันสัสนีนาพงศ์นะคะก็ขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสัสนีสนทนาซึ่งเป็นรายการที่เราจะสนทนากันแต่เรื่องของสิ่งที่พระพุทธองได้ตรัสสอนเอาไว้เพื่อที่เราจะได้รู้จักศาสดาของเราที่เราได้สถาปนาตัวเองว่าเป็นศาสนิกกันมาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวน ะ, นะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมลวินยัย ที่ตรัสเอาไว้เปรียบได้เหมือนกับตัวของพระพุทธองค์เองอันนี้ก็จึงถือว่าเราก็พยายามจะจัดสรรให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีโอกาสไปวัดไม่มีโอกาสศึกษาอย่างไรถ้าสามารถเปิดวิทยุฟังไปได้ท่านจะได้พบกับกระาศาสดาและสำหรับอโอกาสที่จะปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นพุทธบูชาที่สูงสุดในการที่เราจะบูชาพระพุทธองค์ที่เรา ได้เคารพนับถืออย่างสูงเนี่ยนะคะก็จะสามารถทําได้ไปพร้อมๆกับรายการของเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่นาทีนี้เลยเพราะทีฉันกําลังจะพาให้ท่านไปพบกับพระอาจารย์ไพบูลซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญมากนะคะสําหรับคนที่สนใจเรื่องของสังเวชนียสถานเพราะจะเป็นพวกเวลาที่ตามรอยคณะของท่านที่แตกต่างไม่เหมือนใครพิเศษสุดในการนําพุทธว จ, จะนะไปสาธยายที่นั่นณสถานที่ที่เชื่อว่าพระพุธทธองค์ก็ ได้ตรัสเล่ามาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธองที่นั่นนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านกันเลยวันนี้ท่านจะพาไปไหนต่ออย่างไรกราดน้องส ก, การกับท่านปูรณ์คะ่ะเจริญพรค่ะตอนนี้เราก็ยังจะอยู่ในเรื่องราวของการตรัสรุปของบริษัทกระบวนการที่บริษัทตรัสรุปเป็นบริษัทเนี่ยน่าสนใจแต่ก็คือเริ่มจากการที่เหมือนกับเรานี่แหล ะ, ละมีสติสัมปชัญญะโดยการเริ่มมาฝึกปฏิบัติกันก่อนโดยให้เราทั้งหลายมามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจที่หายใจเข้าอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่แทนที่จะให้จิตของเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้าก็ให้จิตของเรารวบรวมมามาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจของเราทีนี้ลมหายใจของเรามันเข้ามันออกมันสั้นมันยามันเรอมันช้าแล้วเราก็ให้เวลามาระลึกถึงเนี่ยให้มาระลึกถึงอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งใดสักตำแหน่งหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้เวลาลมหายใจที่มันผ่านมันเข้ามันออกเนี่ย มันก็จะผ่านทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือบริเวณในโพรงจมูกเริเวณในโพรงจมูกนี้มีเนื้อเยื่อต่างๆที่ละเอียดอ่อนอยู่แต่เรารับรู้ถึงสัมผัสที่ลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบได้ที่ไหนเอาจีของเราไปที่ตรงนั้นบางครั้งอาจจะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นก็ได้อาจจะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารใดๆอาจจะเป็นบริเวณนั้นที่เราเอาใจของเรามาตั้งไว้ าราลึกไว้นามาจดจอ่อไว้กระลมหายใจอยู่ที่นี่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกงรงพระเจ้าของเรา ต, ตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานัสติเป็นอันมากเมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติเป็นอันมากอย่างนี้แล้วกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะ เราไม่มีอุปทานในขณะที่โพธิสัตว์มีเครื่องอยู่คืออานาปานสติอย่างนี้แในก่อนการตรัสรู้ก็ได้มีความฝันนั่นเรียกว่าเป็นมหาสุบินห้าอย่างได้ตรัสอธิบายในเรื่องนี้ไว้ยอย่างนี้ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายความฝันครั้งสําคัญ5อย่างได้ปรากฏแก่ตาโกตผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่ อ, อยังไม่ได้ตรสัรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่คือความฝันข้อที่ว่าพื้นเป็นดินนี้เป็นที่นอนอันใหญ่กองตถาคตจอมเขาหิมะวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิ่ใต้นั้น เป็นความฝันข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะจะได้ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมปุทัยนความฝันข้อที่ว่าย้าคางอกจากเสดือขึ้นไปสูงจลดฟ้าเป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรันตะสสัมมาสัมพุท ธ, ธะ จตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยมรตมีองค์แและประกาศแก่เทวดาและมนุษย์ขึ้นไปจนถึงชั้นพรมความฝันข้อที่สที่ว่านอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงข่านั้นเป็นมาสุบินข้อที่สเพื่อให้รู้ข้อที่เครือหัดผู้นุ่งขาวเป็นนันมาก ก็ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตความฝันข้อที่4คือข้อที่ว่านกสีมีจำพวกต่างๆมาจากที่ทั้งสีมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดเป็นหมาสุบินข้อที่สเพื่อให้รู้ข้อที่วันนะทั้งสี่จำพวกกล่าวคือวันนะกษัตริย์วันนะปรามเวท และสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วยังไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำไม่แจ้งซึ่งวิมุตอันไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าและความฝันข้อทีย่าที่ว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจระใหญ่เหมือนภูเขาอุจระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบิน้อทีย่าเพื่อรู้ข้อที่ตถาคต จะเป็นผู้มีลาภในบริการคือจุบอบินาบานาเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเพศสัตว์ทั้งหลายแต่ต ถ, ถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในปัจจัยสี่ทั้งหลายเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพน้นจากทุกทั้งหลายได้และนี่คือความฝันก่อนที่ พระเราจตะตรัสรู้ใเดือนพันค่ะสาธุค่ะค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ปฏิบัติทำกันไปแล้วก็ได้ฟังพระสูต์สําคัญซะด้วยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันของพระพุทธองค์เลี้นเองตอนที่มาอ่านหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ใหม่ๆนะคะ่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยว่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วก็พระพุทธองค์เนี่ยฝันแบบโอ้สุดพิเศษนะคะ ซึ่งมีความหมายมีนัยยะเกี่ยวกับการที่จะตรัสรู้ทั้งนั้นใช่ใชซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกเอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ฝันหรือฝันอะไรแต่คือตอนนี้เป็นโพธิสัตว์แล้วฝันค่ะก็จะหมายคือก่อนการตรัสรู้เพราะฉะนั้นบางที<ม>การทําความเพียรของพระองค์เนี่ยมันมัน ม, ม, มันมากแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันนะความฝันตรงนี้ จ, จะเป็นเรื่องบง่งบอกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้พระองค์เนี่ยมีกําลังใจขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลยตั้งความเพียรชนิดว่าไม่ถอยกลับ นะไม่ถอยกลับนี่ก็คือไม่สําเร็จไม่เลิกกลางกันนะ ค, ค, คือบางทีเราตั้งใจว่าเออฉันจะ เ, ออเช่นว่าอะไรอ่านหนังสือสักสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมีคนโทรมาเอาชวนไปกินข้าวออาปายเลิกกลางกันอย่างเงี้ยไปต้นะซึ่งไม่ได้เลยบริษัทไม่เป็นอย่างนั้นนะคําตรงนี้เขาใช้คําว่าอปติวานีนะเป็นคําที่มีความหมายว่าไม่สําเร็จไม่เลิกกลางกันเป็นการที่เรียกว่าประกาศกล้าวเลย เนีเป็นการที่เรียกว่าเป็นเฉพาะคนที่ยิ่งใหญ่มากถึงจะทําได้เฉพาะมหาสัตว์มหาสัตว์คือคือโพธิสัตว์นั่นเองเนีเป็นการประกาศกล่าวตรงนั้นเลยล่ะนีที่ใต้ต้นโผเนีว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่บรรลุธรรมแลเราจะไม่เลิกการการะทำตรงนี้การกระทำตรงนั้นคือการความเพียนทางจิตนะค่ะแต่คือบางคนไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์ตอนนั้นจะไม่ลุกจากที่นั่งตรงนั้นแต่จริงๆแล้ว คําที่บอกว่าจะไม่คลายบัลลังก์นี้เลยเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าพูดในที่อื่นนะพูดในที่อื่นแต่ไม่ไม่ใช่ที่ต้นโพตรงนี้ที่ต้นโพเนี่ยจะพูดถึงเป็นประโยคที่เขาจะใช้ในการอธิฐานความเพียรว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะถอยแนงไปก็ทีตามทีแต่จะไม่เลิกทําความเพียรถ้ายังไม่สําร็จประโยชน์ที่จะทําได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรและความบากบั่นของบุคลคลซึ่งตรงนี้กําลังความเพียรคืออะไรคือทั้งจิตนะ คนจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยก็บรรลุที่จิตนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอริบดายจิตนี่จออยู่ตลอดมีสติจออยู่ตลอดนคะุณผู้ชมเตียวค่ะนะไม่มีตรงไหนที่จะเผลอเลยมันจออยู่ตลอดนะค่ะอ่ะต้องบอกว่าถ้าใครเคยลองทําความเพียรจะทราบนะคะการทําทางจิตเนี่ยทํายากจริงๆอืมนะไม่มีวอกแวกไม่มีวกแวกไม่มีค่ะนะจออยู่ตลอดมันจะ คว่ำกันลงตรงไหนวางเงินนั่นน ะ, ะ, ะก็จออยู่ตลอดตรงนั้นนมันต้องอบลุ่มเสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี่แหละความเพียรของพระาศาสดาที่ไม่ถอยกลับที่ไม่ถอยกลัแล้วตรงนั้นเราจะเห็นตรงเนี้ยว่าอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง น, นไม่ยอ่อท้อไม่บากไม่ยอมแพ้จะมีความบากบันมุ่งมั่นไม่ว่าใครจะมาอะไรยังไงไม่ถอยไ ม, ไม่ยอม นะนี่คืออธิษฐานนะคือไม่ใช่ขอนะค่ะคือขอเนี่ยเราทําไมบริษัทตอนนั้นไม่ขอต่อเทวดาที่อยู่กับต้นโพล่ะนะซึ่งมีแน่นอนต้นไม้ใหญ่กันนะั้นมันมีเทวดาสิงอยูนะ่ก็ขอเลยว่าเอาขอให้ฉันเป็น ส, สมัมบุตรนะแต่มันการเป็น ส, สมัมบุทธรไม่ใช่สิ่งที่ขอเอาไงนะจึงมีพุพทธพจน์อีกบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสในภายหลังว่า้าความสุขความอะไรต่างๆความสมบูร็จเนี่ย ถ้าเราจะต้องการได้มาด้วยเฉพาะการจากการอ้อนวอนเนี่ย<ม>ก็จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เสื่อมมันมีอยู่<ม>เหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็สร้างให้มันถูกต้องมันก็ได้เราสร้างไม่ถูกต้องมันก็เสื่อมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอธิษฐานกับการขอเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเราก็ได้ประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่อรมาต้องการชี้ว่าขอคือคุณไม่ได้สร้างเหตุคุณก็ขอผลไปเลย แต่โพธิสัตว์ตอนนั้นด้วยความเป็นมหาสัตว์สัตว์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คืออธิษฐานคือตั้งใจในการที่จะสร้างเหตุแล้วถ้าไม่ได้ผลจะไม่หยุดสร้างเหตุจะทจําจนกระทั่งมันได้สําเร็จขึ้นมานี่ความแน่วแน่ความมันเด็ดขาดจริงๆนะ ว, ว่ากันนะแต่ตรงนั้นครับล้วฟังจากพระสูตรที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ซึ่งรู้สึกว่ามีหลายคนประทับใจกับพระสูตรนี้มากนันเงเอ็นกระดูจ<า>กจากเหลืออยู่ใช่จากเหลืออยู่ เนื้อและเลือด จ, จ, จ, จะเหยีดแห้งไปก็ตามทีแห้งไปก็ตามทีอันนี้คือการอาเขาเรียวกว่าอะไรคะให้บอกกับตนเองถูกไหมคะใช่ใช่ใช่บอกกับตนเองว่าอ้าจะไม่เลิกการนั่งคูบัรลังคือบรรลังตรงเนี้อาบางคนก็จะตีความว่าการนั่งคูบรรลังแต่แต่อาจมาตีความว่าบัรลังในที่นี้คือตั้งจิตเอาไว้ตั้งจิตเอาไว้จอเอาไวค้คจิตที่ตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยคือการตั้งสตินั่นเอง มีอภติวานีประกาศกล้าว<ช>ว่าจะไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกต่อให้โอ้โหเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปใช่ก็ทำให้มีกูรราจารย์ที่อธิบายว่าตรงนี้แหละมารก็เลยจะมาแทรกละอ้าวงั้นเธอเลิกซะอย่าเป็นเลยพระบุตรเจ้านนเลิกทำความเพียรเถอะก็มากวนด้วยวิธีการต่างๆค่ะกวนด้วยทำให้กลัวบ้าง เอาสิ่งอะไรที่มันจะน่ากลัวมากลัวหรือว่าสิ่งที่จะทําให้ยั่วยุนให้เกิดความเพลิดเพลินมายั่วยุนล่อลวงนะ่ะก็ไม่ไม่ถอนเลยนะใจมันจ่ออยู่ตรงนั้นไม่สนใจอย่างอื่นนะบางอันนะค่ะอย่างเราบางทีเพื่อนโทรมาชวนไปกินกับไปอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ไงค่ะคือผมคิดว่าสําคัญทุกอย่างเลยบางทีเพื่อนชวนไม่เท่าไหร่นะคะอที่แพ้ใจตัวเองเนี่ยมีเยอะอืม โดยช่งยิ่งกว่าที่จะเลิกบุหรี่หรือเลิกสุรายอย่างเงี้ยพอไปได้หกวันด้านนั้นน่ะแหมมันเริ่มละล <c oughs> <ช>ักษณะนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็ได้เทคนิคที่ว่าต้องทําแบบพระพุทธองค์<ช>ที่ว่าอยากได้อะไรให้มีอัตถิฐานคือตั้งจิตเพื่อ<ช>ที่จะกระทําเด็ดเดียว ห, าหา้าวหันในการที่จะทําความเปลี่ยนตรงนี้ทีนี้พอพรทธิสัจตั้งใจอย่างนี้ละสู้เต็มที่ประกาศกล้าวเลย นะที่ตำแหน่งตรงนั้นบุคคลที่ไปถึงเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ด้วยว่าเออบางทีเราร้องผิดร้องถูกมาเราตั้งใจในการที่จะทําก็ทําให้มันเด็ดเดี่ยวให้มันจริงจังในะด้วยการสร้างเห็นให้ถูกต้องนะซึ่งผลที่ได้ก็พระองค์ก็ตรัสรู้นั่นเองเพราะตรัสรู้แล้วเนี่ยบทที่พระเจ้าได้พูดที่ต้นโพจริงๆแล้วไอ้เรื่องราวที่เล่าเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเล่าภายหลังนะเป็นการเล่าภายหลังว่าไอ้ที่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นยังไงนะคือในจิตของพระองค์เป็นยังไงแต่คําพูดที่พูดจริงๆเลยอะนะคำพูด <c oughs> ที่พูดออกมาเป็นเสียงนะที่ใต้ต้นโพตรงนั้นเนี่ยคือคาถาก็เรียกว่าเป็นคําอุทานนือที่พระเจ้ า, อ, าอุทานขึ้นมานะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วโอ้ก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนิดนึงอะมาต้อง <c oughs> เพิ่มเติมประเด็นตรงนี้ก่อนยูติวว่าแม้แต่โพธิสัตว์เองเนี่ยก็ยังมีสมาธิเสื่อมนะสมาธิเสื่อม คือบางทีพรอนั่งสมาธิไปอ้าวสมาธิมันตกลงเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงตั้งสิบเอ็ดรอบนะสิบเอ็ดรอบด้วยกันค<ะ>่ะคือตัวเองคิดว่าไอ้การนั่งสมาธิเนี่ยเป็นวิธีการที่จะหลุดพ้นละอ้าวแต่นั่งไปนั่งไปอ้าวสมาธิเสื่อมไม่เห็นต่อหน้าต่อาอ้าวทำไม่แก้ไม่สมาธิก็ ข, ขึ้นมาจิตใจก็แจมใสมีกําลังมีงต่างๆเสื่อมอีกรอบที่สองอย่างเงี้ยนะซึ่งความขึ้นความเสื่อมของสมาธิตรงเนี้ยอ่าก็เริ่มมาตั้งแต่มีปัญหาคือ ความลังเลสงสัยคือวิชิกิจฉาใช่ไหมมีการไม่ใส่ใจสมาธิก็เสื่อมอีกเราแก้ไขแล้วก็ทํามีตีนมะิ t h มาแทรกอีกสมาธิก็เสื่อมอีกเราแก้ไขทําให้มันดีมันก็ยังมีความสะดุ้งหวาดเสีย ว, วความตื่นเต้นความขนองอยาบาปะลบความเพียรจัดเกินไปความลดความเพียร น, น้อยเกินไปพวกนี้เกิดขึ้นหมดเลยปุณิสัจก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาไปทีละอย่างทีละอย่างคิดว่าตรงนี้มาถูกทางแล้วเอ๊ะแต่ทําไมเจอปัญหาอยู่แล้วก็สู้ต่อไม่ถอยในะตรงนี้ เป็นอย่างงี้สิบเอ็ดรอบคุณโยมติวกิดดูบ oh, <okay. S 1> บางครูบาอาจารย์ก็จะเล่าถึงประวัติของตัวเองนะว่าสมาธิก็เคยเสื่อมสมาธิตกก็สองสามรอบสามสี่รอบบางท่านเป็นใช่ไหมแต่โพธิสัตว์นี่เป็นตั้งสิบอ็ดรอบอ่ะแม้จนกระทั่งเข้าออกชำนาญเลยล่ะว่าอ่างนั้เะนะจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าอ ม, มามาตั้งความเพียรชนิดไม่ถอยกลับฉันเจอปัญหาพวกนี้แก้ไม่ได้หมดแล้วมันต้องได้กล่าวนี้นั่นก็ว่าไปอย่างนั้น แล้วก็มือสุดท้ายนะคืนคือเช้าคืนก่อนการตรัสรู้เนี่ยเช้าวันนั้นก็ไปฉันที่บ้านของนางสุชาดาซึ่งก็มีเรื่องราวที่เล่าของนางสุชาดาไปอีกนะว่ามีการเตรียมข้าวมุทุปายาธอะไรต่างๆเหล่านั้นค่ะอันนี้พระพุทธองตัดไว้ไหมคะอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นพุทธพจน์อยู่แต่แต่คือการเตรียมข้าวมุทุปายาธเนี่ยเป็นเรื่องที่ครูบาจะอธิบายว่าไอ้ข้าวมุทุปายาธเนี่ยทายังไง แต่เรื่องของนางวิสาขาที่พูดถึงว่าเป็นอาหารมื้อก่อนการตรัสรู้เนี่ยได้เคยตรัสไว้แต่ไว้ตรัสไว้ตอนก่อนการปรินิพพา น, นว่ามื้อที่สําคัญคือสองมือ้อคือมื้อก่อนการตรัสรู้และมื้อก่อนการปรินิพพานซึ่งมื้อก่อนการตรัสรู้ก็คือนางวิสาขาได้ถวาย น, นั่นเองได้ตรัสไว้ในช่วงก่อนปรินิพพานถึงนางวิสาขาไหมคะไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อของนางวิสาขา อ๋อพูดถึงมื้ออาหารที่สำคัญใช่ใช่ใ ช, ใชตัวนั้นก็เลยมีเอ๊ะแล้วมันจะเป็นใครล่ะเป็นคนถวายก็ครูบาจารย์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของนางวิสาขาแล้วถวายอะไรล่ะก็ถวายข้าวมุทุปายาต์นะก็เลยมาต้องมาคู่กับใครถวายมื้อสุดท้ายนะก็คือนายจุนทะแล้วถวายอะไรล่ะสุกรมัทวาตรงนี้ก็คือนายจุนทะก็จะคู่กับนางวิสาขาข้าวมุทุปายาต์ก็จะคู่กับสุกรมัทวาตรงนั้น ซึ่งเดี๋ยวพอไปถึงตอนช่วงจะปรินิพานท่านคงจะเล่าถึงตรงนี้อีกครั้งนึ่งแต่ว่า ใ, ในวันนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการก่อนจะตรัสรู้แล้วก็<ๆ>ขณะนี้นี่ถือว่าเล่ามาถึงตรัสรู้แล้วถูกไหมคะใช่ใช่กระบวนการการตรัสรู้ก็อย่างที่เราได้ทราบกันอันดับแรกคือพระเจ้าเนี่ยโพิษัตวเนี่ ย, เ, ยเข้าชานหนึ่งถึงฌานสได้ก่อนนะถึงชานสี่แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติยานในบุพเพนิวาสานุสติยานก็คือการที่ระลึกถึงอดีตได้ ว่าชาติก่อนๆพบก่อนๆอยู่ที่ไหนกินอะไรชื่ออะไรมีความสุขยังไงมีความทุกข์ยังไงนะตายแล้วไปไหนบ้างเหมือนกับคนยืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนะเห็นคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกอย่างนี้เลยนะก็คือเห็นตัวเองเนี่ยว่าไปเกิดที่ไหนตายเสร็จแล้วไปไหนอยู่ในบ้านเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือความรู้ข้อที่1น่งแล้วก็เรื่องที่2ก็คือจุตูป ป, ปาฏยานนะพูดถึงว่า แต่แล้วไปบังเกิดที่ไหนนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงในะนั้นที่สามันสุดท้ายก็คือเรื่องของอาสวะข ย, ายาัาขยคือการทําอาสวะให้สิ้นได้นะแล้ก็บรุเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้อ่าซึ่งหลังจากที่บรรลุเป็นบรรลุสัมมาสัมพธิธญาณแล้วในะที่ใต้ต้นโพเนี่ยตอนนั้นก็จะอยู่คนเดียวเลยนะก็จะตื่นหนึ่งอ่อนนะอยู่รูปเดียวนะปัญจวัคคีย์เ น, นี่ยหนีออกห่างออกละไปละ แล้ก็ไม่ได้พูดกับใครเลยนะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์เนี่ยที่อยู่ใต้ต้นโพจริงๆจะไม่มีแต่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังในภายหลังว่าพระองค์ได้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นพุทธ <Okay. S 1> พจน์เหมือนกันแต่พูดในภายหลังแต่เสียงที่เปล่งออกจากพระโอษจริงๆนะที่ใต้ต้นโพเนี่ยจะเป็นคาถานี้แตนะเป็นคําอุทานแตนะพอพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้สิ้นตัณหาหมดแล้วนะ <Okay. S 1> แล้ก็ได้เปล่งอุทานนี้ออกมาแตนะ่คำอุทานที่เป็นคํากรอนเป็นคาถา นักพระเจ้าตรัสไปอย่างนี้บอกว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างมัวส่ะหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นนันเองกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเหนยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้า เราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ย่อยาวไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอยาก่างนี่เป็นคำอุทานเป็นคำกรอนออกมาออซึ่งในทางภาษาบาลีเนี่ยการแต่งกรอนตรงนี้ได้เนี่ย ม, มีความลึกซึ้งอยู่นะคุณโยมทิวเพราะว่ามีการยกก็เรียกว่า อุปมาประใหม่บุคลาที่สถานอะไรงี้ย น, <Ừ, S 1> นะเส้นตรงนี้อะไรคืออะไรคือนายช่างผู้ปลูกเรือนนั่นก็คือตันหานั่นเองนะที่ยกขึ้นมาว่าเป็นตัวที่สร้างภพสร้างชาติให้เรานี่คือตันหานะแล้วก็พูดถึงโครงเรือนนะโครงเรือนเนี่ก็คือกิเลสนะที่จะเป็นเชื้อให้มีการเกิดใหม่ในะบุคลาที่สถานอันที่สมที่เป็นความลึกซึ้งของคากรรงนี้นั่นก็คือยอดเรือนในะยอดเรือนคืออวิชชา นะถ้ายอดเรือนคืออวิชาถูกเปิดออกแล้วเนี่ยคือเหมือนกับน้ําที่เวลาฝนตกเนี่ยใช่ไมถ้าหลังคาเนี่ยตรงยอดเรือนเนี่ยมันจะแบกน้ําออกเป็น2ส่วนแล้วก็น้ํามันจะมาไหลร่วร ớ ตรงในเรือนไม่ได้เรือนก็จะไม่พังเรือนก็จะตั้งอยู่ได้เข้าใจไหมแต่นี้ถ้ายอดเรือนถูกทํำลายน้ําก็จะไหลร่วร ớt ลงมาแล้วนะเรือนก็จะค่อยพังทําลายลงไปเพราะฉนั้นพออวิชาออกไปแล้วเนี่ยอวิชาคือยอดเรือนนะออกไปแล้วเนี่ยไอ้โครงเรือนต่างๆก็จะต้องพังลง นะโครงเรือนก็คือเจ้ากิเลสก็พังลงพังลงแล้วไอ้คนที่จะมาสร้างเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วอุปกรณ์สร้างมันไม่มีมันก็สร้างไม่ได้ก็คือเจ้าตัญหาเนี่ยคนที่จะมาสร้างนี่เป็นความลึกซึ้งของขอ ง, ของคอมกรอนบทนี้ตรงนี้ใช่ค่ะเดีฉันเองอพยายามนึกตามนะคะว่าจะต้องอารมณ์ไหนถึงจะคิดออกแบบนี้นะก็คิดว่าคนธรรมดาธรรมดานี่นึกไปยากเหมือนกันนะคะกับการที่จะนึกถึงในช่างปลูกเรือนเอยอดเรือนออก โครงเรื่องอะไรต่างๆอ่าค่ะนะคบเป็น อ, ปอุปมาที่สำคัญมากอุปมาที่พิเศษมากิซึง้งค่ะเอ่อแล้วก็พอพอตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ที่ตมมนอุรุเวลาอยู่นั่นนะตรงนั้นอยู่น ะ, ะเป็นหลายเดือนทีเดียวเดือนครึ่งนีถ้าตามปริษัทก็คืออยู่ตรงนั้นเดือนครึง่งแล้วใช้เวลาอีก15้าวันในการที่จะไปหาปัญจวัคคีอย่างที่ที่ป่าอีสิบปัตนามฤิษัทจยวัน ค่ะท่าน mm hmm. คาดินอยากจะกลับไปถามเผื่อว่าท่านฟังทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสร่วมไปกับคณะท่านเนี่ยแต่ระหว่างนี้จะมีโอกาสเดินทางไปเองสมมุติว่าไปได้วยตนเองไปถึงพุทธคยาสิ่งที่ควรจะทําคืออะไรคะคือต้องต้องรู้ถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะคุณโยมเดียวว่าบุคคลที่ไปที่นั่นเนี่ยต้องไปด้วยความหมายใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วณที่นี้ เพราะนั้นหมายใจเนี่ยหมายความอะไรหมายความว่าเราต้องรู้เรื่องราวของการตรัสรู้นะเราต้องรู้เรื่องราวของการตรัสรู้โอเคถ้าคุณอาจจะไม่ได้รู้ถึงพุทธพจน์แหมมันก็ดีละแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าพระพุทธชาติทําอะไรมามาตรงนี้ทําไมตรัสรู้ยังไงผ่านปนัญหายังไงแก้อะไรยังไงด้วยนะคะถ้าไม่งั้นก็จะเป็นการไปที่เสียโอกาสอย่างยิ่งเพราะไปแล้วก็ จะไปตื่นเต้นกับคนที่ลางลายกันมาปฏิบัติกันที่นั่นแล้วก็มีการปฏิบัติกันผิดแพกแตกต่างนะคะที่น่าสนใจมากเลยท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระทิเบตหรือผู้แสวงบุญชาวที่เบตที่เวลากราบเขาจะต้องเอาตัวไถ่ไปกับพื้นอย่างนี้นะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออคนเขาศรัทธามากกว่าเราเยอะเลยนะเป็นต้นเลยลืมไปเลยไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นสาระสําคัญพูดถึงถ้าสมมุติไปอย่างเข้าใจว่าพระพุทธองค์รสรู้อะไร จะแตกต่างกับคนที่ไม่รู้ยังไงนะคะผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเกิดความเลื่อมใสแล้าเรารู้ในรายละเอียดมากเราจะเลื่อมใสามากเพราะเลื่อมใสามากศรัทธามันจะเกิดมากทีเดียวเราจะเป็นผู้พอมีศรัทธาแล้วจะมีความเปลี่ยนมีความเพียรเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นได้อินทรีของเราจะแก่กลามากขึ้นเนาะตรงนี้ก็ซึ่งจะเป็นผลทําให้เรามีโอกาสไปถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ตามพุทธพจน์ เป็นคนที่ไปแล้วเกิดความสลดสังเวชถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้ก็พอควรแก่เวลา<ช>น่านจะสมบูรณ์สําหรับที่พุทธคยานะคะได้ลาบนโนสการขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเจ้าบ้านท่านฝังที่ครบคะ่ะในความสมบูรณ์ที่ว่าก็คือสมบูรณ์พอสังเกตที่จะได้รู้ล้ล่ะว่าอ๋อพระพุทธองค์เมื่ออยู่ที่นั่นได้ทรงทําอะไรบ้างจนถึงกระทั่ง ตรัสรู้ตรัสรู้แล้วได้ตรัสอะไรที่เป็นพุทธพจน์ให้เราได้ใกล้ครวนทบทวนว่าได้ทำอะไรหมายถึงธรรมะด้วยนะคะแล้วก็ วันนี้เราจะลากันไปก่อนเพื่อที่จะให้กลับมาตามรอยการเดินทางไปสังเวชนียสถานกับการระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ได้ทรงกระทำไว้นาะสถานที่นั้นๆที่ละเอียดลึกซึ้งแตกต่างจากการไปโดยทั่วๆไปนะคะติดตามรับฟังพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนดิฉันสันสนีนาฏพง์ในรายการสันสนีสนทนาพรุ่งนี้วันนี้พุทธสวัสดีค่ะ